เรายิ่งน่าเจ็บปวดแล้วตอนเนี้ยลังมาวัดดูทีว่าเราปัจจุบันนี้ศรัทธาสู้เด็กน้อยคนนั้นก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังดูแลศรัทธาตัวเองไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วชีวิตข้างหน้าเราจะไปยังไงเรากลัวกันไหมเนี่ยที่มานนั่งตั้งท่าเจริญกุศลกันเนี่ยก็เราไม่มี วิธีการดูแลศรัทธาเราให้ดีอ่ะปล่อยให้วิจิกิจฉากินใจอยู่ตลอดอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กนั้นไม่น่าเป็นห่วงแล้วเนี่เพราะเขาไปตามกรรมเขาใช่แล้วคนคนนี้ที่กำลังฟังข้อมูลกันอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดยังไงศรัทธากับศีลตัวเดียวกั น, กนยมดยรักษาศรัทธาคือรักษาศีลเพราะศรัทธาเป็นประธานของปฏิโมกซังวรศีล นัน่นในตัวเดียวกันให้รักษาศรัทธาปดัดดุดังคนมีตาข้างเดียวรักษาตาข้างเดียวอันเดียวก็เลยปดัดดุดังว่ามีลูกในท้องออกมาแล้วจะเป็นจักระพัดถ้าศรัทธาหายเนี่ยเราจะไม่ได้ถ้าตถาคตาโพธิศรัทธาหายไปจากใจเนีเราจะไม่ได้บรรลุถ้าไม่ได้บรรลุ เราก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะลงอบัยภูมิเมื่อลงอบัยภูมิมันก็มีวิบากเป็นเครื่องกั้นแล้วก็มีกรรมเป็นเครื่องกั้นแล้วเราก็จะออกออกยากแล้วศรัทธานั้นเป็นนมามธรรมเป็นศีลฉะนั้นต้องดูแลเองอย่าให้ใครมาดูแลให้พพุทธเจ้าบอกว่า ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมจงยังศีขาสามไม่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นเองคําคําเดียวกันในศีขาสามก็จงยังศรัทธาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงยังวิริยะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงยังสติสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าใจไหมศรัทธามันเกิดดับตลอด ตอนนี้มันศรัทธาไม่ค่อยเกิดนะพวกเราเนี่ยไปนั่งยังไปที่บาปเกิดต่อหน้าพระศ า, าสดาอยู่เนี่ยแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ยังไม่เห็นค่อยตื่นเต้นใดๆเลยเนี่ยไม่เห็นมีความรู้สึกใดๆเลยเนี่ยบางท่านก็เฉยๆได้ซ้ำไปใจก็หมนหมองเศร้าหมองขุนมัวด้วยอาสวะกิเลสทั้งหลายกุ้มรุมอยู่เป็นเนืองนิดจิตก็ไม่ผ่องใสวิถีจิตก็ไม่สะอาด อันนี้แปลว่าศรัท ธ, ธามันยังไม่แข็งแรงถามว่าจะทํำยังไงแข็งแรงดูแลดูแลยังไงก็พยายามใค่ายควรอย่าใส่ใจเรื่องอื่นเยอะอย่างที่บอกไงเอาพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เอาเป็นอารามนาธิบดีเป็นอารามโนปนิสัยะเป็นอนันตรูปนิสัยะเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลัง ให้หนักหน่วงแต่หนักในคุณมองที่ตรงไหนให้เห็นคุณของพระศาสดาไงเนี่ยเห็นเนี่ยให้ตื่นตาตื่นใจว่าเขาสร้างถวายพระศาสดาเขาศรัทธาพุทธเจ้าเขากล้าทำเนี่ยดูเจดีที่ดูเผ่าโบสถ์ทีอันนั้นขนาดอาิสบูชาแต่เราจะทําให้เราอย่างเรามันต้องอย่างเรามันต้องให้มากกว่านั้น ก็คือไม่ใช่แค่ให้รูปธรรมออานาำมาทำที่เป็นศีลน่ยน้ำมาทำที่เป็นศ ร, รทัทธาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าท้ออย่าไปคิดว่ามันยากต้องคิดว่าเราได้เราจเจริญได้ถ้าไปบอกว่าเราท้อไม่ไหวมันยากใจมันเบื่อหน่ายทันทีเลยนะั้นเป็นเครื่องกั้นตัวเราเองเลยแต่เนี้ย ตัวเองแล้วอย่าปิดตัวเองโอกาสมีเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าเราต้องเหมือนยอมสุวรรณบอกว่าสงสารตัวเองยอมสุวรรณพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าสงสารตัวเองมากพปมัวทําอะไรอยู่ชีวิตกระปพาก็ไป65แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่ได้พบภรรยาเ น, นามิตรนี่แหละมันถึงผิดพลาดอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่าเริ่มตั้งหลักได้ไง ไม่เป็นไรหรอกมันไม่สายหรอกตั้งหลักได้วันไหนเสียดายว่ามันตั้งหลักไม่ได้เลยนี่สิแต่สําคัญว่าตั้งหลักได้นี่แหละอย่าไปเข้าใจผิดถ้าตั้งหลักได้ชีวิตมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนจริงๆนะถ้าไม่เปลี่ยนเนีย่ยแปลว่ามันยังตั้งหลักไม่ได้มันยังกลัวอยู่อยากกลัวเพราะเรามีภาศาสดา เรามีพระพุทธเจ้าเรามีสารณะเรามีเครื่องกําจัดภัยอย่าวิตกกังวลใดๆอย่าไปขนพองสยองกล้าเรามีภาษาสดาจริงๆในตรงนี้ถ้าคิดให้เป็นคิดให้ถูกนอบน้อมให้ถูกศรัทธาเนี่ยมันมาจากอดีตมันมีในพวกเราเนี่ยแต่ปัจจุบันเราทําให้เสียหายเองอย่าไปมัวโทษว่าคนโน้นทํำศรัทธาเราให้เสีย ไม่มีไม่มีใครมาทําลายศรัท ธ, ธาเราได้พระโมคคัลลานะบอกนางสุปวาสาเธอต้องรักษาเองถ้าพระโมคคัลลานะบอกก็คือพรุทธเจ้าบอกคําเดียวกันเรื่องศรัท ธ, ธาเนะี่ยทุกท่านดูแลเองเพราะศรัท ธ, ธาเป็นชื่อของศีลเป็นประธานของศีลถ้าไม่มีศรัท ธ, ธาในพพุทธเจ้าแล้วเนี่ยศีลไม่เดินหรอก ในกระแสชีวิตในกุศลศีลจะต้องเดินด้วยศรัทธาเป็นตัวขับด้วยตัวเป็นตัวเป็นปัจจัยอย่างแรงเพราะเรามีศรัทธาในพระุทธเจ้านี่แหละเราจึงน้อมรักษาศีลคืออริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าให้ใช่ไหมและตอนเนี้เราเห็นศีลสําคัญกว่าอะไรทั้งหมดหรือยังสําคัญกว่าลาบสกาละหรือยังสําคัญกว่ายศหรือยัง สำคัญกว่าอวัยวะหรื อ, อยังไม่แค่แค่ท่องเนอะสำคัญกว่าชีวิตหรื อ, อยังนโยมพัทธลีเห็นศีลสำคัญกว่าชีวิตหรื อ, อยังเห็นไนี่ยสำคัญกว่าชีวิตไหมถ้าตายเดี๋ยวนี้กับการทุกมศีลวันนี้เอาเลือกอันไหนตายแบบมีศีลกับการอยู่แบบทุกศีล เ, เลือกอันไหน เออแต่จริงๆแล้วมันเอาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเออเอาจิงหรือเปล่าคนมีศีลตายไปนะมีสุคติมันได้ดีกว่าเดิมเมื่อดีกว่าเดิมจริงๆแต่ถ้าศีลไม่มีเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วตายแล้วสากแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเทอนั้นแล้วไม่ได้ประโยชน์หรอกคนทุศีนี่แล้วที่จริงเป็นแบบนั้น คือคนตายไปแล้วนะี่ยังคนไม่มีประโยชน์เลยหรอกรอวันลมให้ใจขาดก็จะไปเอาบยภูมิเท่านั้นเลยที่เราเป็นมนุษย์ได้มาได้ด้วยศีลมาด้วยศีลแต่ถ้ามาปัจจุบันขณะนี้เราไปทุ่ศีลแล้วจบแล้วชีวิตเลยไม่มีไรหรอกไม่ใช่ต่างจากกระบาศาสตร์อบยาศาัตร์มีศีลที่ไหนเลอาเราไม่มีหรอกแต่เราเนะี่ยมันแตกต่างจากกบยาศาสตร์เพราะเราฝึกได้ เราจเจริญได้เราทำสัตย์ทายเกิดได้ทำสัตยทายเกิดวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องว่ากันนะทุกคนมันดอบลงได้แต่ว่าต้องเร่งพัฒนาทุกคนต้องพัฒนาตนเองอยา่ากลัวถ้าเราจะอยู่กับศีลเนี่ยก็คือเราอยู่กับพระเจ้ายมสวรรค์พูดเนี่ยทให้มาได้มุมว่า ถ้าถ้าเอามาเป็นคนพูดเอ ง, อยง่ยยมสุวรรณก็จะพังเฉยๆที่เกิดขึ้นเองในใจไงว่าชีวิตที่ผ่านมาสงสารตัวเองเพิ่งมารู้จกักนคือพูดได้ตรงๆเลยเพิ่งมารู้จักพุทธย้าวจริงๆว่าเออเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมามันผิดมันพลาดก็ไปฟังธรรมะไม่ใช่ไปฟังอย่างนี แต่มันฟังแบบยังมีข้อต่อรองอะไรในใจเยอะยังมีเงื่อนไขในใจเยอะไม่ได้ฟังแบบปรองพาระปรงใจจริงๆน้อมขัดเกลาจริงๆใช่ไหมไดีมากเป็นอย่างนั้นใช่แต่มาวันนี้คำตอบมันได้แล้วไงคำตอบได้แล้วทีนี้มันขยับฐานะขึ้นได้ฉะนั้น นั้นชีวิตเนี่ยมันจะได้ไม่กังวลจะได้ไม่กังวลกับเรื่องอื่นนะถ้าอย่างนั้นมันจะกังวลมันจะกังวลโอ้นี่เดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยว ก, กลับไปมันก็ไปเข้าสู่ล็อกเดิมอีกแล้วชีวิตก็ไปตกไอ้วงจร น, น้นําเน่านั่นแหละเข้าใจคําว่าวงจร น, น้ําเน่าไหมมันพัฒนาจิตไม่ขึ้น ก็กลับไปก็อกเหมือนเดิมนั่นแหละกลับไปกับเข้าบ้านออกจากบ้านทํางานนั่งรดไปทํางานกลับไปก็นู้นนนี้ก็โอ้ยดีดีดีดีดก็กวนน้ําเน่าอยู่นั่นแหละมีอะไรหรอกเข้าใจไหมแต่ เ, เราไม่ได้ต้องการตัวนั้นเราต้องการมาฝึกฝนมาพัฒนามาขัดเกลาตัวเองต้องการยกระดับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นชื่อของทานเป็นชื่อของศีลทั้งหมดเลยนะเป็นชื่อของสมาธิปัญญามปนรวมกันอยู่ในนี้ ที่พูดรวมๆรมๆกันเนี่ยโดยอัถะต่างๆโดยเนี่ยที่สุดจริงๆเนี่ยเป็นตัวขับเน้นไม่ใช่ขับเน้นตัวเดียวด้วยมันเป็นการขับเน้นพัฒนาทั้งองค์คาะยบเนีการจเจริญกุศลเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันจะชัดในชั้นของคําสอนเนี่ยจริงอยู่ไอ้ที่ว่าจะเหมือนจะเข้าใจไม่เข้าใจเหมือนจะเข้าใจไม่เข้าใจมันเป็นนานมันต้องทุ่มอ่ะต้องกล้า ถ้าไม่กล้าหาญไม่อาจาหาในการที่จะเดินก็หาคําสอนจริงๆเนี่ยมันก็อีรอบเดิมอยู่นั่นเลยเอาเดาวจริงไหมมันก็เป็นเหมือนเดิมๆอยู่นั่นแหละเนี่ยมไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่กล้าที่ตัดสินใจใดๆหรอกชีวิตก็มัวต่อรองกับกิเลสอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี่เลยสารพัดนั่นเละหน้าตาก็เศร้ามองไปวันๆไม่ได้สดชื่นใดๆไม่เป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสใดๆเลย คือคือเมื่อกี้ยอมตู้ยกตัวอย่างเอาเรื่องจริงในครอบครัวมาเล่าเกี่ยวกับว่าเด็กที่เป็นพี่สาวพอตอนเด็กๆ เ, กเียเพียงแค่อยากบวชนี่ลงเป็นนอนดิ้นหนึ่งจนต้องให้โกนหัวถึงดีใจเงี้ยแต่พอต่อมาไปเรียนโรงเรียนคลิสโตขึ้นมาหน่อยของของคอนแวนไปเลยไม่นับถือคลิสไปเลยเอาต่อมาพอพี่แต่งงาน กับผู้ชายอิสลามอ้าวไปนับถืออิสลามไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยบอกไอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงไหนมาเลยยกตัวอย่างนี้ไงอดีตเหตุนี่ยดีแต่ปัจจุบนันในเหตุนั้นสับสนเห็นไหมนี่แหละอดีตเหตุกับปัจจุบนันในเหตุนี่แหละถ้าอาดีตเหตุจะสร้างดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ปัจจุบนันในเหตุนี่เป็นคนประมาทไง ประมาทมัวเมาไม่ได้เอาจริงสักทีเนี่ยนับถือพระเจ้าก่นับถือตามลิมิตของตอนเองอ่ะตามความคิดไม่ได้คิดมุ่งทะลุทะลวงก็ไปจริงๆเงมันก็ติดขัดอยู่แค่นี้นะกลัวมากอ่ะคล้ายๆว่ากลัวไม่กล้าจะปล่อยศรัทธาไงไม่กล้าไม่กล้าจะศรัทธาพระเจ้าจริงๆเงกลัวเขาจะว่าว่าเราบ้าศาสนาอะไรก็ว่ากันไปอนักวิชาการแะ้ก็ให้ข้อมูลผิดๆพลาดๆไป ก็พากันจมจมลงไปหมดเลยอย่าไปกังวลถึงเราจะศรัทธามากกว่านี้ในยุคนี้ยังไม่เคยมีใครศรัทธามากเท่คนเลยเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่พูดกันหลอกหลอกกันเล่ น, ลนๆว่าศรัทธาศรัทธาอันนี้อามาไม่ต้องการให้ขับเน้นศรัทธาแบบไร้เหตุผลเนละเห็นไหมหนึ่งพพูดถึงศรัทธาเนี่ยพูดทั้งชุด ศรัทธาเป็นปัจจัยเกี่วิริยะยังไงเป็นปัจจัยก่สติสมาธิและปัญญายัางไงแล้วจะเดินทั้งองค์คาพยพยัยงไงแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไหรเมื่อไรก็ดีดไม่ขึ้นสําคัญที่สุดก็คือจบทริปนี้แล้วเนี่ยก็ปิดฉากตัวเองอีกไม่ยอมเพิ่มเนี่ยเข้าใจไหม เหมือนยอมศิริปน์ถามเมื่อกลัวมันจะตกเน่ยตกแน่นอนถ้าคิดถ้ามัวกลัวงั้นเน่ยตกยังไงก็ตกแต่ถ้าคนที่คิดจะไม่ตกเขาคิดยังไงรู้ไหมเราได้ศรัทธาแล้วเราจะเลี้ยงศรัทธาดูแลศรัทธาให้จเจริญทำไมเรามีลูกเราเรากล้าที่จะดูแลลูกเต็มที่ทำไมกล้า ก้าจะเอาใจใส่เขาเต็มที่ดูแลตลอดเวลาบังคับพงมตลอดเวลาเพราะเรารักเขาใช่ไหมแล้วนี่เรารักพระเจ้าจริงหรือเปล่าถ้ารักพระพุทธเจ้าจริงๆรศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงจริงยังไงก็ไม่ตกมีแต่จะขึ้นปุ๊บปุ๊บต้องถามตัวเองว่ารักพระพุทธเจ้าจริงไหมศรัทธาท่านจริงหรือไม่ถ้าติดขัดไม่ศรัทธาจริงๆอะไรคือเหตุปัจจัยทําให้ติดขัดถามตัวเองสิอะไร เราสงสัยใครสงสัยตรงไหนสงสัยส่วนไหนของพระศ า, าสดาถามครูบาอาจารย์เขาถ้าขี้เกียจอ่านให้ท่านคายปลมให้เราว่าทำไมเราไม่กล้าสถาพุญเา้าจริงๆทำไมไม่น้อมปฏิบัติตามพระธรรมมันติดขัดตรงไหนกันแน่ทำไมไม่มีพยายามพัฒนาตนเองเข้าสู่เป็นสังฆะ นึงในพระอาจารย์ไตรให้ได้ทำไมไม่พัฒนามันพัฒนาได้มันฝึกได้ใช่ไหมจากปุถุชนเป็นอริยะชนได้เนี่จากคนไม่มีศรัทธาเป็นคนที่มีศรัทธาจากคนที่เกียจค้านเป็นคนที่มีความเพียรจากคนที่หลงลืมสติเป็นคนที่มีสติจากคนที่ฟุ้งซ่านเป็นคนที่มีสภาที่ตั้งมั่นจากคนที่เขาไม่มีปัญญาฟังอาข้อมูลไปสิเดี๋ยวมันก็ได้จริงไหม อย่าสเปะสปะก็แล้วกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ฟังอันน้นวันนี้ฟังอันนี้ทั้งๆที่มีข้อมูลเต็มแล้วนะเราสามารถกลับไปไปเปิดฟังได้ตลอดขอได้ห็่ไหมจากโยมจากอะไรต่างๆนี่ขอเลยจากชมลมอีกเยอะแยะใช่ไหมเทปที่จะสามารถให้ข้อมูลความรู้เรานี่อีกเยอะฟังอ่านฟังอา่งอานปฏิบัติมีครูบาอาจารย์สอบถามด้วย แล้วมันไม่เที่ยงแน่แท้แน่นอนกันทั้งหมดเนี๋ยถ้าล้มหายตายจากหรือเดินจากกันเมื่อไหร่ขึ้นมาแล้วก็จบเลยในชีวิตเนี่ยนจะทํทำยังไงใครจะมาคอยบอกเราใครจะคอยบอกตั้งแต่ที่บดรีก็ไม่มีใช่ไหมก็ไม่มีอีกด้วมากเราไม่ค่อยหาเราไม่ค่อยแสวงหาท่านต่างหากที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเข้าพุทธเฝ้าพระเจ้ามัง้งเรามัวเอาอะไรเป็นใหญ่งไงมาถึงใช้คําว่าแล้วเราไปมองประพักเมื่อเช้าเนี่ย เราเข้าใจไหมว่าพุทธประสงค์พระศ า, าสดาทรงหวังอะไรในตัวเราเข้าใจไหมยมมงคลเข้าใจไหมว่าพระศ า, าสดาหวังอะไรในตัวยมมงคลใช่ไหมยมพ่อเข้าใจไหมว่าพระศ า, าสดาหวังอะไรในตัวยมพ่อใช่ไหมท่านหวังให้เราให้ยมพ่อปฏิบัติตามพระธรรมของท่านจริงๆหวังตรงนั้น มองประพักท่านที่น้ําตาไหลเนี่ยที่เราล้องไห้เนี่ยปื้มใจเนี่ยต้องรู้ว่าพระองค์หวังอะไรในตัวเราในฐานะที่เป็นบริษัทเป็นลูกของท่านว่าทําไมเกเรจังทําไมเป็นลูกของพ่อแล้วทําไมไปทุ่ศีลแล้วเป็นลูกของพ่อแล้วทำไมไม่ไม่ไม่มีศีล เป็นลูกของพ่อแล้วทำไมไม่มีศรัทธาอย่างพ่อก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี่มองหน้าพ่อให้ออกว่าพ่อหวังอะไรในตัวเรามองให้ออกว่าพระบรมศา ส, าสดาทรงมุ่งหวังที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยความเหนื่อยยากด้วยความลาบากซึ่งเราก็รู้กันสวดกันมาแทบ เหนื่อยกันแล้วเหนื่อยกันอีกที่สวดเนี่ยไม่ใช่สวดเล่นๆนะนะต้องการให้รู้ว่าพระศ า, าสดามุ่งหวังอะไรในพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นลูกของพระธเจ้าคนที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งคือมีฉันทะอย่างรุนแรงไม่ได้โลกุตระรมไม่ได้ธรรมะมรดกของพ่อก็ไม่หยุดใช่ไหม เพราะมีความรักปรารถนาในอริยทรัพย์ของพ่อลูกคนที่สองคนที่มีวิริยะแก่ก้าหนังเอ็นกระดูกหไหมเนื้อและเลือดเหือดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกไม่หยุดถ้าไม่ได้อริยทรัพย์ลูกคนที่สามคนที่มีจิตจดจ่อมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องไม่ยอมละ ไม่ยอมหยุดเนี่ยจิตจดจ่อมุ่งแต่เรื่องมรธรรมะมรดกของพ่ออย่างเดียวลูกคนที่สี่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดไข่ควรตลอดที่จะเอามรดกของพ่อให้ได้ลูกคนที่หยินดีเพียงแค่ศีลธรรมดาเออได้ศีลก็พอแล้วไม่เอาอะไรมากลูกคนที่6ศีลก็ไม่มีทุศีล ก, ก็อีกสมบัติที่พ่อให้มาก็ขายเกลี้ยงแม้แต่จอบและเสียมที่จะขุด อ๋อลีลาศเราจะเป็นลูกของพ่อคนที่เท่าไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นที่หกกับที่ห้าเนี่ยที่ห้าก็เออมีศีลก็ไปฟังธรรมแต่ไม่พัฒนาอะไรเลยอ่ะพอเข้าใจไหมเนี่ยก็พยายามคิดให้เป็นแบบนี้ นั้นต้องเพิ่มจริงๆเรื่องศรัทธาต้องพยายามเพิ่มพยายามขัดเกล า, ย า, ยาวิจัยพิจารณาให้ชัดถ้าอย่างนั้นไม่มีใครช่วยเราได้หรอกอาคิดว่าใครจะช่วยเราได้ไหมไม่มีใครช่วยเราได้เลย